พระเอกมาจนได้หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทนที่ยวใจเขาแล้วก็มีมีความหม้ยยังง อยากเลือนฉันได้เป็นถึงคนรู้ใจเขาที่เขาทางหวังเขาแทนคนที่ทิ้งเธอไปเธอคงเป็นใจให้ความรักเป็นเจริแล้วเรื่องที่ฝันมันก็เหมือนจะสะดุดเมื่อเขาย้อนคืนมาขอเธอใหม่เธอรีบขึ้นทีจังที่ยัง สำคัญแล้วก็ต้องจบกันเมื่อเขาดันกลับมาพระเอกมาจนได้หนเวลาจะใช้ตัวแสดงแทนที่เอาใจเ เธอกับเขามีความสุงไอคนมาแทนแค่ไม่นานคิดว่ามันจะปลุกสรุปสุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวจริงรักเธอเขาเต็มประตูคิดว่าฉันสำคัญเราก็ต้องโจน หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทนที่อยอาใจเขาแล้วก็ไม่มีความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นฟแฟนพระเอกมาจนด้